ก็ความในพระสุตตปิฎกพุทธกานในกายมหานิเทศอัตกะวัตสูตรที่สองกนะคูหัตะสุตตะเทศที่สองก็ยังพูดถึงเรื่องคูหาคูหาก็เป็นชื่อของกายนะนซึ่งผ่านไปหกคาถาก็ยังอยู่ในคาถาที่หกถ้าหากว่าทบทวนทบทวนใน สูตรนี้คถา ท, ที่หนึ่งก็คือผู้ที่ติดข้องอยู่ในถ้ำคือร่างกายเนี่ยนะพอติดข้องอย่างนี้กิเลสก็เกิดขึ้นดารงอยู่ด้วยกิเลสก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณห้าการหมกมุ่นในกามคุณห้าของเขาเนี่ยเขาก็เท่ากับเมื่อเขาหมกมุ่นในกามเท่ากับบอกว่าเขาห่างจากเนคขมะ เนี่ยนะขาหมกมุ่นด้วยอกุศลก็แสดงว่าเขาห่างจากกุศลเขาคลุกคลีกันก็แสดงว่าห่างจากวิเวกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งละง่ายกามเนี่ยไม่ใช่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะละได้ง่ายๆ <c oughs> อันนี้เป็นใจความโดยสรุปในคาถาที่หนึ่งส่วนคาถาที่สองบอกว่าสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ติดพันด้วยความแช่มชื่นในภพ เพราะความปรารถนาเป็นเหตุคือเพราะเขาปรารถนาพบนนะเขามุ่งหวังข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างปรารถนาซึ่งกามอยู่ก็คือพอใจทั้งกีิกรรมที่เป็นอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันทั้งตัวเขาเองก็ไม่หลุดพ้นเขาไม่สามารถจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นได้ <c oughs> นี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะทั้งตัวเองก็ไม่หลุดพ้นไม่ช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้น เขาก็ยิ่งปรารถนาการยิ่งยิ่งขึ้นไปยจิตใจก็มุกมุ่นต้องการกามขวนขวายในกามหลงไหลอยู่ในกามสําหรับผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในกามแล้วเขาก็ตกต่ำํำตกต่ําทั้งปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่อาบายตกต่ําด้วยความตนีตกต่ําด้วยความชั่วมันก็เลยตเอชีวิตก็ดํารงอยู่แต่ด้วยความชั่วทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจถึงเวลาใกล้ตายก็รำพันข่ํมขวนว่า เราตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเนาะมาห่วงชาติหน้าอีกกันนะเพราะอ้ความยึดถือนะถึงเขาทําชั่วเขาก็ทําชั่วเพราะความยึดถือเพราะตันหามันเมื่อเขายึดถืออยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเขาจะต้องจากสิ่งนี้แล้วอะสิ่งข้างหน้ามันจะคืออะไรอีกนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นอนะผู้ที่เกิดมาพึงศึกษาสิกขาสามในพระพุทธศาสนานี่แหละ รู้กรรมเลวว่าเป็นกรรมเลวแล้วก็ไม่ต้องทํากรรมเลวรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าไปทํามันเพราะอะไรเพราะว่านักปรากล่าวว่าชีวิตนี้น้อยมากนี่ยชีวิตนี้น้อยนะอีกไม่นานก็ตายแล้วนะเพื่นควรจะศึกษาควรที่จะบําเพ็ญไตรสิกขา <c oughs> ทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปอกว่าเราเนี่ยเห็นหมูสัตว์ผู้ไปในตัญหาในภพทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในโลก ก็เขาก็เดือดร้อนจริงๆนะสัตว์ที่อยู่ในโลกเนี่ยดูที่ว่าเขาดิ้นรนเขาเดือดร้อนเขาเร่าร้อนเพราะนนรชนทั้งหลายที่เลวเนี่ยไม่ปราศจากตันหาในพบน้อยพบใหญ่ก็ร่ำไรในย่อมร่ำไรใกล้ปากมัจจุเนยะพอเวลาใกล้จะตายก็ร่ํำร้องเดือดร้อนเนี่ยนะสัตว์ทุกพบภูมิเลยนะที่จะตายเนี่ยเร้าร้อนหมดเลยร่ําร้องหมดโดยที่สุดแม่แต่เรยระชานไงพวกเรยระชานเนี่ย พวกเป็ดพวกไก่เป็นต้นเนี่ยก่อนจะตายมันก็เล่าร้อนเดือดร้อนแม้แต่หมู่มนุษย์ทั้งหลายก่อนจะตายก็เดือดร้อนรำพันเทวดาก็ยังรำพันอยู่นะที่รำพันก็เพราะว่าพวกเทวดาที่บุญน้อยเนี่ยนะไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยนะอันผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเดือดร้อนในเวลาใกล้ตายตอนที่ใช้บุญหมดนั่นพระองค์ก็เลยแนะนําว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาเนี่ยดิ้นรนอยู่ในน้ำน้อยอันมีกระแสสิ้นไปปลานน้ำน้อยเนี่ยมันดิ้นรนฉันใดพวกสัตว์เหล่านั้นก็เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเห็นโทษนั้นแล้วก็ไม่ทำตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องในภพอย่าไปปรารถนาภพนะแล้วก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราประพฤติไป นี่พอคาถาที่เจ็ดกล่าวว่าทีระชนเนี่ยพึงกำจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองกำหนดรู้ภาษอะไรไม่เป็นผู้ติดใจติเตียนกรรมใดก็ไม่ทำกรรมนั้นอยู่ย่อมไม่ติดในทิฏฐารมกับสุตตารลมซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เรียนมาถึงนี้เนะว่าทำปริญญาในภาษะเนี่ยนะ ที่สําคัญก็คือบอกว่าให้กําจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองที่สุดทั้งสองข้อแรกก็คือภาษะกับภาษะสมุทัยเนี่ยนะภาษาก็เป็นที่สุดอันหนึ่งภาษาสมุทัยก็เป็นที่สุดอันสองอดีตก็เป็นส่วนสุดอันหนึ่งอนาคตก็เป็นส่วนสุดที่สองเวทนาสุขเวทนาเนี่ยนะก็เป็นที่สุดอันที่หนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นที่สุดอันที่สอง นามเป็นที่สุดอันที่หนึ่งรูปเป็นที่สุดเป็นที่สุดอันที่สองอายตนะภายในหกเป็นที่สุดอันที่หนึ่งอายตนะภายนอกหกเป็นที่สุดอันที่สองสกายะคือขันห้าเป็นที่สุดอันหนึ่งสกายะสมุทัยเนี่ยนะคือวิชาตันหกรรมอาหารภาษะนามรูปเป็นที่สุดอันที่สองันให กำจัดความพอใจในภาษาอดีตอนาคตสุขเวทนานามรูปอายุตนะภายในอายุตนะภายนอกสกายะสกายะสมุทัยถ้ว่าโดยสรุปก็กำจัดความพอใจในวัตตะให้ได้เนี่ยนะอัน น, น, น, นี้ควรมากพึงกำจัดต้องกำจัดมาถ้าไม่กำจัดล่ะไม่กำจัดก็เพลิดเพลินในภพเมื่อเพลิดเพลินในภพทำกรรมที่ไม่ดีก็เล่ารอในเวลาใกล้จะตายนี่ก็สอนอพระองค์สอนถึง วิปัสสนาโดยเฉพาะอริยสัจเนี่ยนะก็คือภาษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคามินีปฏิปทาให้เอาภาษาเนี่ยมาทำปริญญาเมื่อทำปริญญาในภาษะอย่างนี้ก็โดยภาษะเป็นแนวทางก็สามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจได้นี่ภาษานี่นะเป็นปริญญายาธรรมนะเป็นธรรมะหนึ่งในปริญญายาธรรมะ เรียกว่าทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้ควรทําปริญญาเนี่ยคืออะไรคือพรรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะนั้นพรรษานั้นมีความสําคัญมากนะการรับกระทบทางทวารทั้ง6เนี่ยนะยิ่งใหญ่มากถ้าไม่ทําปริญญาแล้วนะพรรษาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งบาปแห่งอกุศล น, นะจำเป็นต้องเอามาทําปริญญาชีวิตของเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่เห็นกี่ครั้งละ นั่นแหละบอกว่าภาษะมีเท่านั้นได้ยินกี่เรื่องกี่คํามาแล้วรู้กลิ่นกี่ชนิดมาแล้วรู้รสกี่ประเภทรับกระทบโพตภาภะเท่าไหร่ใจนึกคิดมาเท่าไหร่แล้วนะอันนี้เรียกว่าภาษาทั้งหกภาษาหกที่ผ่านมาเนี่ยนะเรียกว่าภาษาที่เป็นอดีตภาษาที่เป็นอนาคตกับภาษาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ต้องเอามาทํายาตะปริญญาพิจารณาภาษะและเหตุเกิดแห่งภาษะ เหตุเกิดแห่งภาษาก็คือสลายยตนะนะสลายยตนะแล้วสลายยตนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากอะไรก็เกิดจากกรรมวิญญาณและวิบากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากสังขารสังขารก็เกิดจากอาวิชานะนะภาษานั้นที่เกิดขึ้นในทวารทั้ง6เนี่ยนะนะถ้าแบ่งย่อๆก็เหลือ ภาษาทางปัญจทวารกับภาษะทางมโนทวารเนี่ยนะภาษาทางปัญจทวารเนี่ยนะเป็นชาติวิบากเป็นชาติวิบากนะเห็นทางตาได้ยินทางหูรูก้กดินทางจมูกรูก้รสทางลิ้นรับกระทบทางกายเนี่ยภาษาเราเนี่ยเป็นชาติวิบากส่วนภาษะทางความคิดเนี่ยนะอันนี้โดยทั่วไปเป็นชาวณนะเป็นกรรม เป็นทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นปุถุชนทั่วๆไปภาษาทั้งที่กล่าวไปเนี่ยนะทั้งทวารหหรือภาษาทางปัญจทวารและภาษาทางมโนทวารภาษาบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาคือภาษานั้นเป็นการประชุมของธรรมะสามอย่างคือวัตถุอารมณ์และวิญญาณถ้าอารมณ์เป็นอิทธารม์อารมณ์ที่ดีเนี่ยนะวิญญาณก็เป็นกุศ ล, ลวิบาก เมื่อวิญญาณเป็นกุศลวิบากอารมณ์เป็นอิทธารมโดยมากภาษะเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาน่ลใช่ไหพอเห็นสีสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆพรรู้กลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยรับกระทบที่ดีโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่งความสุขทีนี้ถ้าอารมณ์ที่ไม่ดีสีที่ไม่ดีเสียงกลิ่นรสโภภพธะทั้งหลายที่ไม่ดี จิตหรือวิญญาณที่รับอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นอกุศลวิบากเมื่อเป็นอกุศลวิบากโดยมากก็ต่อด้วยทุกขเวทนาหรือโทสะนะพอเห็นสีที่ไม่ดีฟังเสียงที่ไม่ดีเนี่ยโดยทั่วทวไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ละส่วนตรงๆเลยนะในขณะเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าเป็นอารมณ์ปานกลางทั่วทวไปเนี่ยนะก็จะเป็น อุเบกขาวเวทนา <c oughs> นิภาษาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดการแบ่งแยกพิจารณาเอามาทำปริญญาเนี่ยนะภาษาบางอย่างก็เป็นกุศลบางอย่างก็เป็นอ ก, กุศลบางอย่างก็เป็นอัพยากตะคือเป็นวิบากกับเป็นกิริยาที่เป็นกุศลก็เพราะว่าเกิดจากความฉลาดที่เป็นอ ก, กุศลก็เกิดจากความไม่ฉลาดนี้กุศลเนี่ยให้ผลเป็นสุขใช่ไหม อกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์นยะส่วนวิบากก็เป็นผลของกุศลและอกุศลนั่นเองส่วนกิริยาก็มีอาวชนะเป็นเออเขมีภวังนั่นแหละเป็นปัจจัยฉะนั้นพวกภาษะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลอพยากตะนี่ก็ต้องเอามาทําปริญญานี่นะนี่เมื่อทําปริญญาอย่างเี้ยนะผู้สําหรับบางท่านก็สามารถเจริญรูปประชานและอรูปประชานได้ ต้องเอาภาษาทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนี่มาทําปริญญาเนี่ยนะมาทําพินจระคือพิจารณาภาษะเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจใจเนี่ยนะอุปมาเหมือนว่าถ้าเสียงกลองดังขึ้นเนี่ยนะก็ทําไมกลองมันจึงดังอ่ะก็คือเอาตัวกลองมาวิจัยเอาไม้ตีกลองเนี่ยมาวิจัยแล้วก็ทบกลับทาไมมันจึงดัง การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรับกระทบโพธาภะการนึกคิดทั้งหลายก็เหมือนกัน น, นะทําไมจึงเห็นการเห็นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีอะไรเป็นปัจจัยแล้วเมื่อเห็นเสร็จแล้วเนี่ยนะผลของการเห็นต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทวารหูก็เหมือนกันทําไมจึงได้ยิ น, นยนะทําไมจึงภาษะทางหูจึงเกิดเนี่ยนะภาษาเหล่านั้นเหตุของมาเนี่ยเหตุของเหล่านั้นมาจากไหน เมื่อได้ยินแะ้วอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกอะไรต่อไปอีกเการรู้กลิ่นเนี่ยเกิดมาจากอะไรมีอะไรเป็นต้นเหตุเมื่อรู้กลิ่นไปแล้วเนี่ยนะรับกระทบทวารจมูกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอีกเถ้าทวารลิ้นก็เหมือนกันเลิ้นเนี่ยมาจากไหนการรู้รสเนี่ยมาจากไหนมีอะไรเป็นปัจจัยเมื่อรู้รสแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเ ทาอาหารอร่อยๆหลังจากอร่อยไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะทานอาหารที่ไม่อร่อยเนี่ยนะไอการไม่อร่อยครั้งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแกอะไรๆๆต่อไปเวลารับกระทบทางกายก็เหมือนกันถ้าหนาวพอรู้ว่าหนาวอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าร้อนอ่ะหลังจากรู้ว่าร้อนอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหรืออากาศพอดีพอดีเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะความรู้สึกนึกคิดอะไรจะเกิดต่อไปเนี่ยนั่นก็เอาภาษะที่กระทบทางปัญจทวารเนี่ยมาไข้ครวน เมื่อใครควรภาษาทางปัญจทวารดีนะจะเห็นภาษาทางมโนทวารนะเพราะว่าภาษาทางมโนทวารที่เอาเหตุการเรื่องราวมาจากปัญจทวารนั่นแหละมาคิดเอาเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นรู้รสนั่นแหละเอามาคิดมาวิจกวิจารณ์มาตรยมาตรองเนะี่ยอันนั่นแหละเป็นภาษาทางมโนทวารทีนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะมีผลต่อไปอย่างไร สมมติว่าความคิดของเราคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะเมื่อเราคิดบ้านคิดถึงบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยนะพอคิดถึงเสร็จแล้วจะมีผลต่อจิตใจเราต่อยังไงต่อไปเมื่อคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารคิดถึงบ้านคิดถึงช่องหรือคิดถึงอะไรก็ช่างเถอะแต่ละเรื่องที่เราคิดเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของเราต่อไปเป็นยังไงมันก็ต้องเอามาทําปริญญาเนี่ยนะเออเรียกว่าเอาต้นเหตุของภาษะมาทําปริญญาแล้วภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาต่อไปอย่างไรเนี่ยนะ เป็นปัจจัยแก่กรรมวิบากกิเลสยังไงก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทําปริญญาการทําปริญญาอย่างนี้แหละเรียกว่ายาตะปริญญาเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่นะเรียนรู้ภาษะภาษะมายังละภาษาคืออะไรมาจากไหนเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปภาษะนั้นอะ่ะเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้ว่าต้องรู้แค่ไหนเป็นต้นเนี่ยจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาตอบให้ได้ทั้งหมดอันผู้ที่ทําได้อย่างนี้แหละเรียกว่าทําปริญญาในภาษะคือ ยาตาปริญญาเนี่ยนะเรียกว่าเรียนรู้ภาษะที่มันมีอยู่แล้วนะภาษะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วชีวิตที่ผ่านมาก็รับกระทบภาษะที่กำลังเป็นอยู่นี้ก็รับกระทบภาษะชีวิตต่อไปข้างหน้าก็คือการไปรับกระทบภาษาเนี่ยนะก็คือไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นไปรู้รสไปรู้โผฏฐะไปนึกคิดเรื่องราวต่างๆนี่แหละ ทีนี้เมื่อมีการแยกแยะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลอพยากตะภาษะตามทวารหกภาษาปัญจทวารมโนทวารภาษะเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะภาษะเป็นกามาวจรูปาวจรอรูปาวจ ร, ร, วจรเนี่ยนะแม้กระทั่งภาษาที่เป็นไปกับวิปัสนา